ความสุขหมายเลขหนึ่งตอนรู้ตัวตามกรรมคนที่ทำบาปไว้กับคุณสมควรต้องชดใช้กรรมแค่ไหนทำกับใครไว้อย่างไรอาจต้องคาดหมายว่าจะได้รับผลยิ่งกว่านั้นตามธรรมดากฎแห่งกรรมวิบาก คนและสัตว์ทั้งหลายต่างก็เป็นเครื่องขยายผลบาปบุญไม่เท่ากันอย่างเช่นทำบุญทำบาปกับสัตว์ได้ผลไม่เท่าทำบุญทำบาปกับคนทำบุญทำบาปกับคนทุศีลได้ผลไม่เท่าทำบุญทำบาปกับผู้ส่งศีลทำบุญทำบาปกับผู้ทรงศีลได้ผลไม่เท่าทำบุญทำบาปกับผู้ที่ได้เจริญสติตรงทาง นี่เป็นสิ่งที่เทียบเคียงได้กับทักกิณาวิพังคสูตรซึ่งมีใจความสำคัญตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้คือเมื่อให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานประมาณใดพึงหวังผลร้อยเท่าจากทานประมาณนั้นให้ทานแก่ปุถุชนผู้ทุศีลประมาณใดพึงหวังผลพันเท่าจากทานประมาณนั้นให้ทานแก่ปุถุชน ผู้มีศีลประมาณใดพึงหวังผลแสนเท่าจากทานประมาณนั้นให้ทานแก่นักบวชนอกศาสนาพุทธผู้ปราศจากความกำหนัดในกามประมาณใดพึงหวังผลแสนโกเท่าจากทานประมาณนั้นให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปิตผลให้แจ้งพึงหวังผลเป็นอ น, นันตจากทานประมาณนั้น ประเด็นคือเมื่อคนเราเป็นฝ่ายถูกกระท ร, ร ม, มักหวังผลให้ผู้กระทาได้รับผลเป็นร้อยเท่าพันทวีถ้าไม่ใช่ด้วยการเอาคืนกับมือก็ทำร้ายด้วยปากหรือแอบซับแช่งด้วยใจเป็นอย่างน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชื่อเรื่องผลแห่งกรรมจะมีอาการจดจอ่อเฝ้ารอว่า เมื่อใดผลร้ายจะเกิดขึ้นกับคนที่ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจตนเสียทีถ้ารอแล้วรอหายเห็นเขายังอยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ตายรอยยิ้มไม่หายไปจากใบหน้าเสียทีก็อาจผ่านเลิกเชื่อว่าผลกรรมมีจริงไปแท้จริงแล้วกรรมไม่ได้ให้ผลตามการสาปแช่งของใคร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 คนพยายามเจริญสติหรือคนมีสติเจริญแล้วเห็นกายใจโดยความเป็นรูปนามที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนได้เป็นปกติแล้วน่าสังเกตว่าถ้ายิงศีลบกพร่องมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งหวังให้คนที่ทำร้ายคุณวิบัติมากเท่านั้นเพราะศีลที่พร่องย่อมเป็นช่องให้อาคารมาก แต่ยิ่งศีลของคุณบริบูรณ์ขึ้นเท่าไหร่คุณจะยิ่งหวังให้เวรที่มีกับใครเลิกแล้วต่อกันเท่านั้นเพราะศีลที่บริบูรณ์ย่อมปิดช่องความอยากเบียดเบียนปิดช่องความอยากเห็นความหายนะของผู้อื่นสำหรับนักเจริญสติเมื่อสติยังอ่อนเพิ่งพยายามเจริญสติไม่นานยังมีอัตตาว่า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 จากการครอบงำของบาปอกุศลเห็นชัดถนัดใจแล้วว่าการสาปแช่งเป็นมโนกรรมการ่วยพรเป็นมโนกรรมเมื่อเป็นกรรมย่อมมีผลเสมอก็ขนาดทำทานกับสัตว์เดรัจฉานที่ต่ำกว่าภูมนุษย์ถ้าเต็มใจให้ลืมใจที่ได้สงเคราะห์ยังหวังผลได้ร้อยเท่า แล้วสาบแช่งคนเลวคิดประทุษร้ายคนเลวจะไม่มีผลอะไรกลับเข้าตัวบ้างชิรึกามใดทำแล้วใจสบายก็เลือกทำกรรมนั้นแม้จะต้องอวยพรคนที่เคยประทุษร้ายตนก็ตามถ้าไม่มีกำลังใจขนาดอวยพรได้ไหวเอาแค่ยั้งอกยั้งใจไม่สาบแช่งก็ยังดี แค่ตัวคุณปรากฏตัวในโลกก็เป็นช่องทางก่อบาปก่อบุญของใครต่อใครและในทางกลับกันใครต่อใครก็เป็นแหล่งก่อบาปก่อบุญของคุณด้วยแม้น้อยที่สุดด้วยการแอบคิดสาบแช่งหรืออํานวยพร อ, อยู่ในใจทุกวัน